ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยจริงๆแล้วถ้าฟังให้ 2 รูปแบบ อ่ะเข้าใจกันคืออานาสมาธินี้นะหลับตาดูหนังตานี่คือการปฏิบัติแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะการปฏิบัติอีกแบบรูปแบบ 2 แบบเนี้ย แต่คุณไม่ใช้งานในรูปแบบไหนแต่คุณเอาไปใช้งานในรูปของการทํางานในรูปของการเรียนหนังสือรูปของการตั้งใจเรียน นั่งนั่งหลับตาดูหนังตานั่งนิ่งๆไม่คุยกับใครเป็นผู้หลีกเร้นอยู่อันนั้นก็เป็นธรรมะในรูปแบบ คุณจะทีไหนเมื่อคุณจะทําอะไรเมื่อคุณจะไปกับใครเมื่อคุณจะไปไหนๆดุกน่ะเลือกได้ปุ๊บนั่นอันนี้ชื่อ นะหายใจเนี่ยมันอาจจะยากอยู่นะอยู่นะนี่แหละเป็น มาคอยตามเรามาคอยดูเรามาคอยเตือน 8 ชั่วโมงนะทํางาน 8 ชั่วโมงนี้ 3 กะนะกะเช้ากะบ่ายกะ นะหรือคุณสร้างห้องน้ําแบบพิเศษที่ทําให้ นะ, นะ, นะ, นะ, 24 ชั่วโมงนั่นคือหมายถึงเกิน นะ, 8 ชั่วโมงมันอยู่กับเรา ประเด็นถ้าเรามารู้จักกันที่จะฝึกปฏิบัตินะให้มาเอ่อมีสติในลมหาย ในในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องการใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตนะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างเราตอนนี้เราฟังวิทยุเนี่ยเราบอกว่าคุณไปนึกถึงเรื่องอดีต หรือว่าให้คุณคิดถึงอนาคตอ่ะจิ๊บมั้ยก็ย้ายจากเรื่องของที่เราไม่รู้เราไม่ใช่อยู่ระวินเสียงอยู่เอาไปเรื่องอนาคตนะมันมีการเปลี่ยน ในคือลมหายใจของเราเนี่ยไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องเกรงนะไม่ต้องไป ทีนี้สติของเรามันอาจตลอดเวลากับเรานั่นคือบางทีเราเผลอสติไปนะเป็นผู้มีสติลืมหลง อะไรถ้าแบบจมูกเล็กๆหรือว่าจมูกมันตันอยู่หรือว่ามีปัญหากับระบบ หรือว่าเข้ารูเดียวออกรูเดียวหรือบางคนหายใจเร็วหายใจช้านั้นมันก็มันก็แล้วแต่แต่สามารถที่จะมามีสติเลยหลายๆคนก็เจอนั่นแต่เมื่อที่เราจะมานึกถึงเรื่องหายใจ แล้วก็มันคิดเรื่องไม่ดีอยู่อ่ะมันไปคิดเรื่องไม่ดีอีกอันหนึ่งแทนที่จะ นะความฟุ้งซ่านลําคันใจนะเราเอ่อเลือกออกจากความอกุศลอันหนึ่งเอากลับไปลงอกุศลอีกอันหนึ่งนะคิดมากฝึกค่อย อ่าฟองสั่นไปเนี่ยมันก็ก็มีอยู่เพราะว่าเรามี 1 เนี่ยนะมี ในแต่ความคิดนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวๆเพิ่มขึ้นในกําลังของสติค่อยๆเพิ่ม อ่ะชัมชองชำนาญมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไหวต่อวาระจิตของตัวเรา โอ้ที่คุณจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นของเค้าคุณจะต้องทําไงเกี่ยวกับเอ่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทางบ้านกับตามทางครอบครัวก็ตามนะ ระหว่างความฟุ้งซ่านกับความสงบระงับเอาๆที่พูดนะถ้าจิตเรามันขี้มันมากลาง ในที่เราต้องการให้จิตของเรานั้นมันมาสงบมามีสติเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยอุปสรรคอีกอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือเอ่อ นะความเกลียดแกร่งความเห็นแย้งความระแวงนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่เอ่อมาทําให้ใจของเรานั้น ถ้าเรามีจิตที่ไหนไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันตามมา 1 ใน 5 อย่างนะมีศรัทธา 5 อย่าง แนวพูดๆก็คือว่าเราต้องมีคํามีความศรัทธาความที่อ่าทําสัมมาสติ นะสมาธิย่อมเกิดขึ้นได้พอเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยๆมันๆมันไม่เที่ยงอย่างไรบ้างอันนั้นคือปัญญานะ นะรู้ว่าบางทีเราคิดว่าจําเป็นจะต้องแบบไปวัดชุด ท่านผู้ฟัง 106 ยินดี